ให้เรานั่งนั่งภาวนาไปเลยนั่งภาวนาใครใครกำกับพุทธโธพุทธโธพุทธโธก็บริกรรมไปเลยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทก็กํากับภาวนาไปเลยบริกรรมไปเลยหลวงตาท่านพูดเป็นประจำฟังเทศภาคปฏิบัติต้องฟังไปแล้วก็ภาวนาไปพร้อมกันในที่นี้ให้เราจับ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 แต่ท่านรู้สึกว่ามันจัดจางจางเลือนลางจางไปก็ให้เรามากำหนดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธเราจะนั่งอยู่สักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเราก็อาจจักขยเยิ้กันไปขยเยิ้งกันมานั่นแหละอะยกเว้นแต่คนที่ท่านทําจนชินมาแล้วเหมือนอย่างแม่ขาวเนี่ยแม่ขาวที่มาเพื่อนปรารภให้ฟังว่าเพื่อนนี่นั่งภาวนาปุ๊บเพื่อนสงบปุ๊บปั๊ปปบทันที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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบลืมตัวพุทโธพุทโธเข้าไว้พุทโธเอาไว้เรานั่งยี่สิบนาทีสามสิบนาทีมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากถ้าเราไม่ใช้หลักนี้ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยเราก็ฟังเราก็นั่งฟังไปใจก็ปล่อยล่องลอยไปเพราะว่าการฟังนี่เราไม่ได้ฟังสนุกไม่ได้เหมือนสนุกเหมือนเราฟังเล่านิทานเราฟังเพื่อเป็นข้อปฏิบัติ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 เพื่อให้ธรรมะอันนี้ <c oughs> บริษัทก็จาไม่ได้ <c oughs> บริษัทอะไรนะรเวอ ร, รีนาบริษัทเวรีนาเราทราบว่าเราทราบว่ า, าบริษัทเกี่ยวกับอาหารอาหารเสริมคราวที่แล้วไปที่ท่ามเต่าเห็นเอาไปเยอะแยะเลยไปกองไว้ฉันจนเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดลึกสงสัยยังไม่หมดล่ะ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 ท่านเป็นบุคคลที่แสดงความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏในโลกปัจจุบันหลวงตารับสื่อทอดมาหลวงตาก็เป็นอีกผู้หนึ่งแสดงความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏในโลกปัจจุบันอันนี้เราว่าตามท่านนะบางคนฟังแล้วอาจจะจะขีดตะขวงในใจก็ได้แต่เราฟังแล้วเราได้กำลังใจ พวกเรารกศสีลูกหาเราฝังและเราได้กำลังใจเพราะตลอดระยะเวลาหลวงตาท่านทำประโยชน์ให้กับชาติตั้งแต่นู้น 2,493 เป็นต้นมาหลวงตาท่านกำหมดภาระแล้วท่านทำงานทุกอย่างท่านทำงานด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆกิริยาอาการกระดกกระกลิกปลิกแพลงของท่านเป็นอัตเป็นธรรมทั้งหมดอย่าลืมว่า จิตของใครก็ตามที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยกริยาอาการกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของท่านเหล่านั้นบริสุทธิ์หมดจดทั้งหมดมีหลักฐานอ้างอิงมีสัจธรรมมาเกี่ยวขอ้องเป็นของจริงไปหมดถึงจะเทศเรื่องกิเลสเรื่องตันหาราคะเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามมีหลักสัจธรรมปรากฏอยู่ในนั้น พวกเราฟังอย่างนี้พวกเราก็ได้กำลังใจเพื่อให้ชื่อสลารำลึกหลงตาบุญคุณหลงตามหาบวญอย่างสัมปันโนหลงตาท่านทำประโยชน์ให้กับชาติไล่มาที่สองสี่เก้าสามมาจนเดียเด๋ยวเดี๋ยวสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่มันกี่ปีกี่ปีทั้งหมดอะไม่ใช่ห0สิบกว่าปีหรอหลงตาท่านทำประโยชน์อย่างนี้ตั้งหกสิบกว่าปีมาจปตอนที่ ท่านทำงานช่วยชาติอันนี้เป็นงานที่ใหญ่กว้างขวางมากเป็นเหตุทำให้ท่านเนี่ยเอาธรรมะออกแจกจ่ายทั่วทุกภาคของประเทศท่านบอกว่าเอาธรรมนำหน้าพวกเงินพวกทองพวกอะไรที่จะเอาไปเข้ากลังหลวงนั้นเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองเท่ากับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นกากบุญเป็นกากบุญที่ท่านชักชวนให้พวกเราซึ่งเป็นพลเมืองของชาติ สมัยที่ท่านออกมาตอนนั้นก็ถือว่าชาติของเราเนี่ยตกต่ำ ม, มากจนท่านจนท่านไปยังไม่ได้บางงั้นเถอะอย่าลืมว่าตอนนั้นหลวงตาท่านก็ป่วยเหมือนกันนะฮะท่านป่วยทีนี้บุญที่ท่านยังได้ช่วยเหลือชาติเนี่ยท่านหายกับหมอหมอเต้งไปไปมามหมอเติ้งเนี่ยไปก่อดวงตาอีกหมอเต้งเนี่ยไป่อดว ง, ง, งตานะเออ <c oughs> เป็นเหตุให้ลวงตาท่านมี ท่านมีกำลังวางชามีเรี่ยวมีแรงทำงานมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี4041มาจนถึงปี4748มาจนถึงปี4748กว่าท่านจะได้ปิดโครงการปิดโครงการตอนปีไหนกันมารูนะ47หรือ48กันมารูนะ47หรือ48แต่ท่านก็ไปเทศยื่อเรื่อยๆ เ, เป็นปิดโครงการช่วยชาติ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 ท่านตั้งพินยันยกรรมเาไว้งานบุญงานศพของท่านเนี่ยเงินทุบทัตททุกสตางค์ท่านจะเอาเข้าคลังหลวงหรือไม่ก็เอาซื้อทองเข้าคลังหลวงนี่มันเป็นการตั้งพินัยกรรมที่ที่แตกต่างจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังมันเป็นงานใหญ่เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับผู้ใหญ่จริงๆโอกาสที่คนจะมาลบรอยหยาบกันนะะบุญบา ร, รมีที่หลวงตาทำํำ เราเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าถึงแม้ว่าจะมีคนมีเงินเป็นแสนล้านมาซื้อทองคําเข้าคลังหลวง20ตันเนี้ยซึ่งมากกว่าหลวงตาหลวงตาท่านหาได้แค่13ตัน13ตันนี้คือลูกศิลป์ลูกหาหาเพิ่มเข้าไปอีกนะหลวงปู่ีจนได้ครบ13ตันถึงแม้ว่าจะมีคนมีเงินแสนล้านเนี่ยมาซื้อทองคําเข้าคลังหลวง20ตันเนี่ยมากกว่าหลวงตา แต่ก็ยังสู้หลงตาไม่ได้เพราะหลงตาท่านไปเก็บมาจากพวกเราเนี่ยคละบาทคนละสลึงน ะ, ะบาด ท, ทองนะบาด ท, ทองอเป็นเป็นบาดทองเป็นเป็นบา ท, ท, เ, ป เ, ปบาทเป็นสลึงเป็นกิโลเป็นห้ากิโลเป็นสิกิโลท่านไปหาเก็บมาหมดละจากนั้นเนี่ยบางคนไม่มีทองก็เอาปัจจัยมารวมแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้รวมได้รวมได้ก็เอาไปซื้อทอง เ, เอาไปซื้อทอง จนมีคนเขาพูดถึงว่าเวลาเอาทองไปหลอมเนี่ยเนื่องจากมาหลายๆคนปกติทองเขาก็ไปใส่ไปใส่แล้วก็มันถูกเงือถูกอะไรแล้วมันมีกลิ่นเวลาเอาไปหลอมแล้วมีกลิ่นไอขึ้นมามีกลิ่นคือกลิ่นคนนั่นแหละกลิ่นคนที่เขาใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองรูปประพันธ์มีกลิ่นขึ้นมามีคนเขาเล่าให้ฟังว่ากลิ่นก็กลิ่นคนนี่นแหละนี่คือเรี่ยวแรงเรียวแรง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 ที่อยู่สืบเรื่องมาจนถึงพวกเราปัจจุบันนี้ธรรมะเหล่านั้นอ า, อาศัยธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจของพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกโดยเหตุที่ท่านเข้าถึงธรรมประยัดปฏิบัติปฏิเวทท่านเป็นผู้ทรง ป, ปฏิเวทธรรมเต็มเปี่ยมในหัวใจเต็มเปี่ยมในหัวใจรักษาพระธรรมอันนี้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 ก็ยังไม่มีการจดจารึกสังคยนาครั้งที่หนึ่งยังไม่มีการจดจารึกสังคยนาครั้งที่สองก็ยังไม่มีการจดจารึกน่าจะเป็นสังคยนาครั้งที่สามหรือเปล่ามีการจดจารึกทีนี้พระธรรมอันบริสุทธเหล่านั้นสืบเนื่องมาได้อย่างไรก็สืบเนื่องมาจากหัวใจของพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านเข้าถึงธรรมผู้ที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ย เป็นของแท้ทั้งหมดไม่มีของปลอมล่ะเป็นของแท้ทั้งหมดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเรานั้นอนะ่ะเท่ากับใบไม้ในกำมือเท่านั้นเองอท่านเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะที่ท่านไม่ไดเอามาสอนเนี่ยเท่าเทียบเท่ากับใบไม้ในปา่ามากมายมหาศาลแค่ท่านเอาคําสอนของ ân, ท่านเท่ากับใบไม้ในกํามือเนี่ยมาสอนพวกเราพอพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราสามารถ เข้าถึงธรรมของพระองค์ได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมของพระองค์ได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอระหันต์เราสามารถเห็นใบไม้ในกามือของพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักใบไม้อยู่นอกกำมือของพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักครูบาอาจารย์ที่สอนพวกเราเนี่ยเหมือนอย่างหลวงปูเ่เสาท่านไม่ได้เรียนรู้หลักพระไตรไปิฎกอะไรมากมาย ท่านสอนพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนะเป็นภาคปฏิบัติเวลาถามว่าพุโทโธแล้วได้อะไรพุโทโธแล้วเห็นอะไรท่านบอกว่าไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจะต้องตั้งใจตั้งใจทําซ้ําๆตั้งใจทําอย่างยิ่งยวดนะไม่ใช่ทําทำท ำ, ทำแล้วก็หยุดทําทำแล้วก็หยุดทําทำแล้วก็หยุดทําจนเห็นเหตุทําจนเห็นผล ทำจนเห็นเห็นเหตุเห็นผลเพราะฉะนั้นคำพูดคำสอนที่เป็นอัตเป็นธรรมที่ท่านเอามาพูดมาบอกมาสอนนั้นน่ะท่านสามารถเอาแค่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปบริกรรมจนจิตของท่านเข้าถึงธรรมสามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงออกจากหัวใจได้ตามพระพุทธเจ้าไปท่านอาจจะเอาธรรมะคำสอนหรือท่านอาจจะให้ ท่านอาจจะเอาธรรมะคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็ได้อาจจะเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าไม่ไดเอามาสอนเราก็ได้ก็เพราะว่าถ้าใครเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยก็สามารถรู้จักใบไม้ในกํามือของพระพุทธเจ้าก็รู้จักใบไม้นอกกํามือของพระพุทธเจ้าซึ่งเท่ากับใบใบป่ดูลายในป่าเต็มไปหมดก็สามารถรู้จักได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามาพูด พูดอะไรที่มันแตกต่างไปจากาไปจากหลักในพระไตรปิฎกเขาก็มักจะตีพวกเราว่าพวกเราพูดผิดพูดธรมะผิดเขาจึงไม่แน่ใจว่าพระสาวกทุกวันนี้อ่าไม่ได้เอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเอาคำสอนของพระสาวคกมาสอนก็เหมือนอย่างพวกเราพูดตามหลวงตาพูดตามหลวงปู่สาวหลวงปู่มัน่นท่านสอนให้ว่าพุโทโธพุโทโธพวกเราก็ว่าตามนะ เราก็บริกรรมตามเราก็ทําตามแท้แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้พวกเรารักษาศีลทํากิจในระดับความสงบเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาแม้แต่เราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเขาก็พูดได้ว่าพุทโธนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ท่องหรือเปล่าเป็นพุทธพจน์หรือเปล่าเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมาอย่างนี้ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่าน ให้เอาบทใดก็ตามมาบริการบริการให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วแล้วมันก็เป็นสมถะได้เมื่อจิตสงบแล้วก็เป็นสมถะได้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าจิตสงบจะเป็นจิตที่มีกำลังเอาจิตที่สงบที่มีกำลังนี่แหละพิจารณาให้เกิดปัญญาเราจะเอาอะไรมาพิจารณาให้เกิดปัญญาก็ได้อ่าเอารูปประทรมในร่างกายของเรามาพิจารณาก็ได้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 ว่าพวกเราว่าไม่รู้ว่าผิดหรือว่าถูกอสอนแล้วไม่รู้สอนผิดหรือสอนถูกบางทีก็มันลุทรมันลธรรมันลุมันลุผิดหรือมนุษย์ถูกเขาเอามาว่ากันแต่ว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านไม่สงสัยแล้วความโลภหมดไปจากหัวใจของท่านความโกรธความหลงอวิชชาตันหั่ปาถานหมดจบไปจากหัวใจของท่านโดยสิ้นเชิง กิเลสในหัวใจของท่านสะอาดเคลี่องกล่าวหมดจดประสิจักพบพระสิจักชาติพระสิจากกองทุกกองโทษที่จะมาบัตในวัฏสงสารหมดพบหมดชาติเนี่ยท่านไม่สงสัยแล้วแต่สำหรับผู้ที่สงสยัยผู้เข้าไม่ถึงถึงแม้ว่าจะมีจะมีการเรียนศักธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ตามถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็คือเรียน ของจริงของพระพุทธเจ้าของจริงของพระสง์สาวกแต่มันยังเป็นของปลอมสําหรับเรานั่นเองยังเป็นของปลอมสําหรับเรานี่พวกเราตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วก็คงไม่เกินหลักของทานของศีลของสมาธิของปัญญาขอให้เราตั้งอกตั้งใจทําเถอะอืตั้งใจรักษาศีลก็เพราะศีลเนี่ยตั้งใจรักษาเพื่อระงับดับกิเลส ที่มันจะมาแสดงกายกรรมวจีกรรมการตั้งใจรักษาศี น, นั้นสามารถระ ง, งับกิเลสที่มันจะมาแสดงที่กายที่วาจาของเราถ้าหากเราไม่มีศีลเราอาจจะไปล่วงละเมิดด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมของเราไปได้ก็ได้เมื่อกิเลสมันมาแสดงทางกิริยากายกิริยาวาจาของเราไม่ได้ด้วยเหตุที่เรารักษาศีลมันก็แสดงที่ใจที่ใจของเรานะั้นมันโดดมันดิ่ กิเลสในหัวใจของเรามันมีมันนึกมันคิดไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสจิตไม่สงบจิตไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราสงบระงับกิเลสภายในใจสงบมันไว้ซะก่อนหยุดมันไว้ซะก่อนคือท่านให้เราบริกรรมให้จิตสงบเพื่อให้เป็นสมุท t คือให้สงบให้สมถะเอาไว้ให้สมาธิเอาไว้อ สงบระงับอะไรสงบระงับกิเกลสกิเลสที่มันดีดดิ้นอยู่ในหัวใจของเรามันพาดีดดิ้นไปเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสตามอำนาจ ข, ของตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้หยุดจริงแล้วนั้นซะก่อนเพื่อให้จิตของเราเนะี่ยมีกําลังมีพลังบางกลุ่มเขาก็บอกว่าอย่าไปสมถะอย่าไปสมถะเสียเวลาเสียเวลา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 ครูบาอาจารย์ท่านทำแล้วท่านเข้าถึงทำแล้วท่านผ่านพ้นวิมุตต์หลุดพ้นไปตามากันแล้วพวกเราไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเราได้ยินได้ฟังเขาประกาศเขาพูดเสร็จแล้วเราก็อาจจะหันเหะแล้วก็ทิ้งของครูบาอาจารย์ของเราซึ่งท่านปลูกฝังมาดีแล้วท่านทำได้ผลได้ได้ผลได้ผล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 เหมือนอย่างที่ว่ายัสมถะยวัวิปั ส, สนาเลยทิ้งสมาธิไปเลยถ้าทิ้งสมาธิแล้วเนี่ยได้อะไรเป็นหลักไม่มีอะไรเป็นหลักละใจไม่มีกําลังละถูกกิเลสตัณหาก่อกวนในหัวใจของเราด้วยเหตุที่เราไม่มีกําลังพอมันก็ดึงไปหมดดึงไปเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยปรุงไปปรุงไปเป็นเรื่องของกิเลส ท, ทั้งหมดพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นสัญญารมกิเลสสวมรอยเข้ามาก็ทําให้เรา กลายกลายเป็นทำงานให้กับกิเลสทุกระยะทุกเวลาที่เราตั้งใจทำอย่างนี้เป็นการเจริญรอยตามหลักที่พระุทธเจ้าท่านสอนศีล ส, สมาธิปัญญาตามหลักที่ครูบาอาจารย์เราสอนหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่นหลวงตาท่านไม่เคยพูดบทใดบาทใดขัดกับหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักในปัตติปิฎกไม่มี อ่าไม่มีอ่าแต่สำหรับคนที่เขา ย, ยึดหลักพระไตรไปิฎกอ่ายึดหลักพระไตรไปิฎกเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเขียนว่าลูกปู้มั่นท่านเขียนประวัลลูกผู้มั่นว่าลูกผู้มั่นน่ะท่านท่านภาวนาอยู่ที่ถ้าไหนไม่รู้ทางเหนือนั้นอ่ะมีพระอรหันต์มาแสดงทำมาสนทนาธรรมมาแสดงทำมาบอกมาสอนให้ท่านฟังประจํา เสร็จแล้วเพื่อนก็เอามาโต้แย้งว่าอ่าไม่มีในหลักพระไตรไปิฎกไม่มีในหลักพระไตรไปิฎกพร ะ, ระไตรพรไตรปิฎกก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราก็เท่ากับใบไม้ในกํามือเ <_ EN> มื่อจิตของท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยใบยไม้นอกกํามือท่านก็เห็นใบไม้ในกํามือก็เป็นธรรมใบาไม้อยู่นอกกํามือก็เป็นธรรมเมื่อจิตท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านก็เห็นทั้งหมดแหละ Ọ, ผู้ที่เข้าถึงธรมรมนับตั้งแต่นุ่นอ่ะเข้าถึงกระรแรสปะโซดาบันกระแสปะโซดาบันก็เหมือนกับจิตเข้าถึงกระแสธรรมถ้าเราจะเที่ยวกันกรรมอนก็กระแสน้ําน้ําห้วยน้ําคลองที่มันไหลลงลงไปสู่แม่น้ําเจ้าพยาพอไหลลงไปสู่แม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยาก็ไหลเอื่อยเอืเ อ, อืเออ่ อ, อไปเรื่อยนะเขาเรียกว่าตกกระแสตกกระแสที่จะไหลไปสู่หมหาสมุทรไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไม่มีหยุดไหลไปเรื่อยไปเรื่อยก็ถึงมหาสมุทรจนได้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 ตอนยังไม่เริ่มรู้เดียงสาภาวะก็ยังไม่มีอะไรพอเริ่มรู้เดียงสาภาวะมาปะก็เริ่มยึดถือตัวตอนอัตตาตัวตอนอะไรพา ย, ยุดเราว่าอะไรพา ย, ยุดก็ใจนั่นแหละพา ย, ยุดอะไรมีอยู่ในใจจึงเป็นเหตุให้ใจยึดนั่นแหละคือสิ่งที่เคลือบแฝงมากับผู้รู้ของเราก็คื อ, ค อ, คอกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเน่ะมันเคลือบแฝงมากับหัวใจของเรามันพา ย, ยุดคือเจ้าตัวตัณหานั่นแหละอ่า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 พอมาได้อัตภาพของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ออกไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปประสบพบ เ, เห็นอะไรมันก็เพลินไปกับนั้นเพลินไปกับอันนั้นเพลินไปกับสิ่งนั้นเพลินไปกับสิ่งนี้เห็นความแปลกประหลาอัศจรรย์ที่เราออกมารู้มาเห็นมาอะไรอะไรเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็แสดงความแสดงความต้องการไม่มีจบไม่มีขอบไม่มีเขตมีเสียกวายยึดนะ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 มันอยู่ในจิตของเรามันพาหิพาถือทีนี้ทําไงเราจะพิจารณายัางไงเราถึงจะรู้เราถึงจะเข้าใจเราถึงจะตื่นเนื้อตื่นตัวท่านจึงให้เราพิจารณาท่านจึงให้เราเภาวนายใจสงบเมื่อใจสงบแล้วท่านให้พิจารณาพิจารณาถึงที่มาที่ไปของมันที่มาของรูปธรรม ท, ที่มาของอัตภาพร่างกายแค่เราพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมานี่ก็จะเป็นกรุยหมายป้ายทางให้เรา เข้าใจว่าสาเหตุการคิดการถือของเรามาอย่างไรกันแน่เราพิจารณานับตั้งแต่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ ย, น ย, นย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปออกมาใหม่ๆจากท้องแม่เลย้อนเข้าไปในท้องแม่น่ะนะนะไปจนถึงนู้นหนึ่งวันครึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหรือวินาทีที่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่กลับจิตลงไปถือปฏิสนธิแป๊บเดียวตอนนั้น แล้วก็ดูดิมีตัวมีตนัต้ยตอนนั้นมีตัวมีตนไหมแล้วธาตุพ่อธาตุแม่มาผสมกันมาผสมได้ยังไงเราดูไปที่ดูไปที่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาผสมกันในท้องแม่ <them> าแ ม, มาผสมกันได้ยังไง <Yeah. S 2> ดูไปที่ความอยากความอยากในใจของพอ่อความอยากในใจของแม่มันเกี่ยวข้องกับตันหาไหมนี่เรือเราดูที่ตันหาตันหามันมากับธาตรู้ของเรา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 มาถึงตอนไหนอ่ะถึงจะเสื่อมจะเริ่มเสื่อมจะเริ่มหมดแรงจะเริ่มอ่อนแรงจะเริ่มเหี่ยวจะเริ่มราวเท่าไหร่ห้าสิบปีหรือหกสิบปีก็จะเริ่มแก่ลงเริ่มแก่ลงกําลังดวงจันทรก็แก่ลงเนื้อหนังมังสังรัติเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงนี่คือวัยเจริญขึ้นแล้วก็วัยเสื่อมลงนี่สังขารเหล่านี้มันมีอยู่ตามตามภาวะของมันอ่มีอยู่ตามภาวะของมันซึ่งท่านท่านว่า เอาธาตุเก่าที่มีอยู่มาเกิดธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาเกิดมาอย่างไรก็มาจากพ่อมาจากแม่ธาตุพ่อธาตุแม่ก็คือธาตุดินน้ําลมไฟมาประกอบกันนี่อันนี้คือที่เกิดความการเกิดของรูปธรรมการเกิดของรูปธรรมแล้วก็ที่สัมพันธ์คืนนามันทําเข้าไปจับจองนี่มันเกี่ยวข้องกันมาอยู่อย่างนี้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เพื่อเป็นการทําลายอัตตาตัวตนของเรา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 เราดูให้เห็นง่ายๆเข้าใจง่ายๆเป็นกรุยหมายป้ายทางเพื่อที่จะอามาพิจารณาเอาจิตที่สงบนั่นแหละมาพิจารณาอให้เห็นว่าร่างกายนี่เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นก้อนเป็นแท่งเพราะสิ่งเหล่านี้มาเกอบมากุมกันมาเกาะมา ก, มากุมกันด้วยอํานาจของกรรมนี่ถ้าให้พิจารณาอย่างเนี้ยอาศัยจิตที่สงบแค่จิตสงบก็ทาให้เรามีความสุขทําให้เราอิ่มเอิบ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 ถ้าเราประมวลลงไปแล้วมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการผิดหวังทั้งนั้นอหวังลูกหวังว่าลูกเราดีๆไปโรงเรียนดีๆอ้าวไปๆมาๆเอ้าประจิตยาแล้วแน่ผิดหวังแล้วทุกข์แล้วหวังว่าเราลงทุนคราวนี้เราลงทุนคราวนี้จะได้เท่านั้นจะได้เท่านี้เอๆมาทุกข์อีกแล้วผิดหวังอีกแล้วเพื่อนของเราเคยไปมหาสู่กันดีๆไปๆมาๆกันดีเอ้าบิดเบี้ยวเราอีกแล้วผิดหวังอีกแล้วนเคยรับ ร่างกายของเราอย่างอ้วนอ่าอ right ิ่มหนำสําราญมีกําลังวังชาอย่างดีดีอยู่สุขสบายไปไปมาไปตรวจไปเช็คไปเจอเอ้าเจอโรคร้ายอีกแล้วผิดหวังอีกแล้วอย่าให้สุขสบายอยากให้ร่างกายของเรานี่อ่าเป็นหนุ่มเป็นแน่นมีกําลังวังชาดิบดีอยู่ไปแก่งอมไปแก่งอมไปแก่งอมไปด้วยแก่ผิดหวังอีกแล้วอ่าเห็นคนนั้นอยู่ดีดีก็เอ้าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นฝูงตายไปแล้วผิดหวังแล้วทุกอีกแล้ว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 แต่ด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามลักษณะกิริยาอาการของมันคือไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนไปท่านเรียว่าอนัตตาอนัตตาแต่มันละเอียดลึกซึ้งนะเราจะต้องทําจิตใหไ้ได้รับความสงบจิตของเราถึงจะคมปัญญาของเรามันถึงจะคมพอที่จะพิจารณาแล้วก็จิตพอที่จะยอมรับเพื่อที่จิตของเราจะเข้าถึงและจะยอมรับอ่าว่าโอเป็นอย่างนี้จริงอเป็นอย่างนี้จริงๆอืม นี่พวกเราตั้งออกตั้งใจแล้วเราไปตรงนี้เดินไปตามเส้นสายของตรงนี้ครับครูบาอาจารย์ท่านสอนพุรามาตรองนี้ เ, เราฟังถ้าใครเคยฟังประวัติที่อาจารย์วิริยังท่านเขียน เ, เราฟังประวัติที่ลุงตาท่านเขียนประวัติลุงปู่ลุงปู่มั่นทนี้ก็ถือว่ากว้างขวางแต่เป็นลักษณะการเขียนแบบปรากแต่ถ้าหากเราไปฟังประวัติที่อาจารย์วิริยังท่านเขียน ท่านจะเขียนกว้างขวางมากการที่หลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเนี่ยปลูกฝังลุกสิทธ์ลูกหาทั้งจิศนู่นทางเมืองเหนือทางอีสานทางภาคกลางท่านปลูกฝังตรงไหนตรงไหนตรงไหนท่านตามเขียนอ่าแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้พระเจ้าประสงค์นี่ตีแผ่พระยันวัดป่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีขึ้นอ่าหมดทั้งอีสานเนี่ยนะนู้นนับตั้งแต่ นับตั้งแต่น่นเมืองเลยอุบบเมืองเลยไปจนถึงนอนอุดรสกุลไปจนถึงอุบล น, นั่นพระบูมันท่านเดินกรรมฐานทั้งหมดนี้เป็นการวางรกรากเพื่อบอกว่าสอนกรรมฐานกรรมฐานให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังมาจนถึงมามาได้ถือประพฤติได้เยี่ยงอย่างถือประพฤติปฏิบัติมาจนทุกวันนี้นี่เราจะเห็นความสําคัญว่าครูบาอาจารย์ เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับภาพปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราก็ถือประพฤติถือปฏิบัติถือว่าเป็นโชคดีเราไม่ได้มาศึกษาเฉยเราเอาการศึกษานั้นประยัดมาแล้วเราก็ตั้งใจมาปฏิบัติปฏิบัติเราก็ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานเราได้ยินได้ฟังเราก็เอามาทําทําจนได้ผล อืทำเรื่อยๆทำบ่อยๆครั้งเข้าเหมือนอย่างม่ข่าวที่เพ้นมาพูดว่าเพ้นภาวนากำหนดปั๊บเพื่อสงบกำหนดปั๊บพ้นก็สงบกายเบาจิตเบาอกายเบาจิตเบาหามันสงบมันได้กําลังใจก็ออกมาดูท่าดูขันของเรานี่แหละพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาจนกว่าจะมีผลแปลกปรากลาอาศัศจรรย์เกิดขึ้นในหัวใจของเรา จากนั้นแล้วเราก็จะค่อยตั้งและตั้งตัวของเราไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจะมีผลมีอนิสงค์คือได้รับความสนบและได้รับความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาเนี่ยวันนี้เราพูดไปเลยหมดเวลาไปเยอะแยะแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคนตั้งประเด็นให้มันก็พูดไปเรื่อยๆนะตั้งไม่มีคนตั้งประเด็นให้ก็พูดไปเรื่อยๆ ต า, ตามหลักอันนี้ตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญานี่แหละาะฉะนั้นเวลาก็จะหมดแล้วเราก็พูดกันแค่นี้พอมั้งแล้วก็ใครสงสัยอะไรก็คุยกันอ่าตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อเราได้พูดให้ให้ให้แก้ข้องใจใครมีข้องใจอะไรพอจะคุยกันได้เราก็คุย พูดไปก็พูดไปอย่างนี้แหละอ้ า, อาแกนี้ก่อน <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นแม่บ้านของลเตอร์หมูเนีย่ยพนมาเพื่อกระกถาม คนบอกขึ้นสวรรค์แล้วสามารถไปนรกเลยได้ได้ไหมนะขึ้นสวรรค์ตกจากสวรรค์ไปนรกเลยก็มีจากสวรรค์มาลงมาเกิดในมนุษย์ก็มีอ่ า, าภูมิของจิตเนี่ยเราดูไปที่จิตของเรานึกคิดอยู่ทุกระยะทุกเวลาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็โกรธ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 เป็สัตว์ในไรชาตทั้งๆที่เราเป็นมนุษย์อยู่น <laughs> ี่แหละอ่าเป็นเปรตเป็นสนรกทั้งๆที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละตกนรกตกอาวจีทั้งๆที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละดูไปที่ขณะของจิตของเราที่มันทํางานเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติธรรมจึงได้เปรียบอมีการสังบอรมีการสํารวมมีการระมัดระวังการสังวรการสํารวมการระมัดระวัง จึงเป็นความเพียรในตัวอภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอย่างเดียวเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเนี่ยอสังวรประทานก็ได้ประธานประทานก็ได้สังวรประทานหมายความว่ากิเลสไม่เกิดอืกิเลสไม่เกิดในขณะที่เราทําจะให้สงบนั้นกิเลสไม่เกิด และกิเลสเก่าที่เกิดแล้วมีแล้วเราก็จะค่อยเริ่มรู้เริ่มรู้จักแล้วก็สามารถเอาออกได้ประทานทั้งสีที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยสังวรประทานประหานประทานสังวรคือระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสั้นดานบาปเก่าที่มีอยู่แล้วท่านให้พยายามละเนี่ยสังวรประทานประหานประทานภาวนาประทานอย่างเดียวเนี่ยสังวรประทานถูกระงับไปในตัวประหารประทานก็ถูกระงับไปในตัว ภาวนาอย่างเดียว อ, อนุรักษณาประทานกับพลเจริญไปในตัวด้วยแค่เราทํางานอย่างเดียวมันได้ทั้งสี่ได้ทั้งสี่อย่างนะนี่คือความเพียรความเพียรอันนี้เราเอาไปประกอบภารกิจการงานข้างนอกทั้งโลกเราก็ได้เราเอามาประกอบความเพียรข้างในเพื่อเจริญมรรคเจริญผลก็ดีก็ได้ก็ดี